อ่าเปิดไปหน้าที่ที่เท่าไหร่สี่สิบสามนี่ใช่หมศีลเนี่ยจะส่งให้ถึงความสุขนะย้อนไปหน้าสี่สิบสามนะก็บอกว่าวินัยเนี่ยนะก็เพื่อประโยชน์แก่การสังวรสังวรก็คือศีลนั่นแหละเพราะฉะนั้นสังวรคือศีลเนี่ยเพื่อประโยชน์แก่อวิปฏิสาร อวิปัิสารเพื่อประโยชน์แก่ปราโมทปราโมทเพื่อประโยชน์แก่ปีติปีติเพื่อประโยชน์แก่ปัสสัตถีปัสสัตถีเพื่อประโยชน์แก่สุส ion, ขนี่คือศีลเนี่ยส่งถึงนี้โดยลําพังตัวของเขาเองเนะเขาจะส่งให้ถึงความสุขเพราะฉะนั้นคนถ้ามีศีลจริงๆ จ, จะมีความสุขวันเออได้ความสุขระดับนี้พอแล้วละ่ะแต่อย่าลืมว่าสมาธิมีสุขเป็นเหตุใกล้เพราะฉะนั้นสุขที่ที่มีสมาธิเป็นเหตุใกล้นั้นสุขก็คือสุขที่ไม่มีโทษ เป็นสุขที่เกิดจากกุศลศีลนั่นเองอ น, นะเพราะฉะนั้นคนที่มีศีลบางทีก็ยินดีอยู่ด้วยคุณแค่ศีลโอ้ยแค่นี้ฉันก็มีความสุขเต็มทีแล้วละ่ะสบายแล้วพอละ น, นะอย่างนี้เขาเรียกว่าถิติภาคียะคือรักษาให้ทรงสภาพอันนี้ไว้หาเหตุหาปัจจัยเพื่อความทรงอยู่แห่งกุศลศีลเหล่านี้ไม่ได้พอกพูนกุศลศีลชั้นสูงต่อไปอไม่ได้อบรมสมถะอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าถิติภาคยะ จากในหน้า43นี่ก็ทำให้เห็นเหมือนกันว่าถ้าคนมีศีลจริงๆจกมีความสุขถ้ามีศีล น, นะถ้าทุกเนี่ยใช่ศีลไหมวิปฏิสานความเดือดเนื้อร้อนใจความกินแหนงแคลงใจเป็นต้นเนี่ยนะไม่ใช่เป็นผลของศีลอย่างแน่นอนเพราะศีลเนี่ยจะเป็นไปเพื่อความสุขสุขเพื่อสุขเพื่ออะไรเมื่อกี้สมาธินะ ที่ที่เน้นบ่อยๆนี่คือต้องการให้เราจำให้ได้เพราะถ้าจำตรงนี้ไม่ได้นะเรื่องสิกขาสามเป็นต้นเราจะสับสนมากเเราจะไล่ลำดับสิกขาไม่ถูกต่อไปส่วนภิกษุรูปใดเป็นผู้มีศีลอันถึงพร้อมย่อมพยายามเพื่อประโยชน์แก่สมาธิศีลของภิกษุรูปนี้ย่อมเป็นวิเศษภากคิยะ วิเศษะานี้ก็คือวิเศษหรือพิเศษะนะก็คือดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นอาศัยพื้นฐานจจตุปริสุทธิ์ที่ศีลเป็นบาทจเจริญกุศลธรรมสมถะกรรมฐานต่อไปอย่างนี้แหละเป็นวิเศษสาากิะเป็นไปในส่วนแห่งความวิเศษขึ้นโอคนที่เรียนเรื่องบารมีมาดีเนี่ยนะจะนึกออกใช่ทานศีลเนขมะอ่เนคข ม, มะอันนั้นเป็นสมาธิ เพราะฉะนั้นศีลเนี่ยนะต้องศีลบารมีต้องเป็นไปเพื่อเนคขมะบารมีสมาธิเพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่มีความเห็นผู้ที่มีจิตตั้งมั่นย่อมรู้เห็นตามเป็นจริงเพราะฉะนั้นสัมมาสมาธิต้องเป็นไปเพื่อยถาภูตยานทัศนะการรู้เห็นตามความเป็นจริงเห็นอะไรตามความจริงเห็นอะไรนะจึงจะชื่อว่าเห็นตามความเป็นจริง ภูตานี้เป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของขันห้าอ่าเป็นชื่อของอุปาทานขันห้าเพราะฉะนั้นไอสมาธิจิตที่ตั้งมั่นย่อมเป็นไปเพื่อรู้เห็นขันห้าตามเป็นจริงไม่แสดงว่าเราเห็นไม่ตามเป็นจริงสิใช่ไหมต้องไปเห็นให้เป็นจริงอ่ะนะจริงจริงของรูปขันเป็นยังไง จริงๆของเวทนาขันเป็นยังไงสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันจริ ง, รงๆเขาเป็นยังไงจริงๆของรูปขันเป็นยังไงเสื่อมสิ้นสลายไปนะชื่อว่ารูปเพราะรู ป, ปณัญละคณังเสื่อมสิ้นสลายไปชื่อว่าเวทนาเพราะสเสวยอารมณ์ชื่อว่าสัญญาเพราะจําอารมณ์นะทั่วไปแล้วส่วนใหญ่แปลว่าจําอารมณ์จําสีเขียวอย่างเงี้ยเป็นต้ น, น ถ้าสังขารปรุงปรุงแต่งปรุงอะไรปรุงให้มีอะไรสังขารเนี่ยปรุงให้มีอะไรปรุงให้มีขันห้านั่นแหละอย่างเช่นสังขารเนี่ยนะเจตนาเนี่ยปรุงแต่งให้มีรูปประคันไหมปรุงไหมอ่านะเจตนานี่ปรุงให้มีรูปประคันไหมเอาลองยกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างเช่น อมองไกลน้าดูเลยนะเขาบอกว่าสังขารหรือเจตนาเนี่ยนะที่ปรุงแต่งรูปเนี่ยก็คือธรรมชาติของจิตเนี่ยนะเมื่อเกิดขึ้นทำจิตตชรูปจิตตชรูปที่เกิดขึ้นนั่นแหละเพราะเจตนาเป็นต้นอะ่ะเป็นปัจจัยให้จิตตชรูปเกิดขึ้นนั่นแหละชื่อว่าสังขารเนี่ยปรุงแต่งรูปประคันแล้วก็ สังเจตนาเนี่ยนะท่าบอกว่าสังขารเนี่ยสังขารขันนะท่านเน้นไปที่เจตนาสัมปยุตธรรมก็จะเกิดขึ้นในขณะนั้นแล้วเพราะฉะนั้นสัมปยุตธรรมที่เกิดร่วมกับเจตนาจึงชื่อว่าเจตนาเนี่ยปรุงแต่งเพราะฉะนั้นสังขารที่ชื่อว่าปรุงแต่งเพราะปรุงแต่งขันห้าในขณะนั้นแหละเจตนาเกิดขึ้นทําขันห้าให้มีขึ้นเลยอาก็ เจตนาเกิดขึ้นก็ชักชวนให้จิตเกิดร่วมด้วยกับตนไงเราเราเราถึาางลักษณะแต่รูปมันเรื่อยออ๋อเมื่อกี้เนี่ยามาถึงแค่สังขาระขรันอาถ้าเห็นวิญญาณาขะคันตามความเป็นจริงเนี่ยเป็นยังไงจริงของวิญญาณก็คือรู้อารมณ์เท่านั้นเองใช่ั้ยความจริงของเขาคือรู้อารมณ์ถ้าหากว่ารู้รูปเวทนาสัญญาตามเป็นจริง ก็บอกเอางี้นะถ้าเรารู้จักใครสักคนจริงๆเนี่ยนะเราจะรู้รู้แค่หน้าตาเขาพอไหมชื่อว่ารู้จักคนนั้นจริงไหมไม่จริงนะนะถ้ารู้จริงเป็นยังไงรู้ประวัติหรือรู้ใจนะเขาคิดอะไรรู้เลยแค่นี้โอ้ยไม่พอนะต้องรู้ประวัติรู้อย่างเรียกว่ารู้จักคนนั้นจริงๆ่อ <Yeah. S 1> จนว่ามันขัน5เนี่ยนะจริงคนที่รู้จักขัน5ก็คือรู้ลักษณะของขัน5้าแต่ละอย่างและปัจจัยของขัน5อย่างดีถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้จักขัน5ตามเป็นจริงก็เหมือนกับเรารู้จักใครสักคนรู้จักจริงๆเลยอะ่ะแสดงว่าเรารอบรู้ในเรื่องของคนนั้นเลยนะขอให้ถามเธอเกี่ยวกับคนนั้นตอบได้หมดเลยแม้แต่ส่วนสูงเขาว่างั้นนะส่วนสูงชอบอาหารแบบไหนคนนี้เนี่ยถ้าเราจะหาคนนี้เวลานี้ต้องหาที่ไหน เราจะรู้เลยใช่ไหมขันห้าแต่ละอย่างก็มีเหตุใกล้ถ้าเราจะรู้จักขันตัวใดตัวหนึ่งก็ต้องไปหาที่เหตุใกล้แล้วจะเจอนั้นเลยนะถ้าถ้าใครเรารู้จักใครสักคนหนึ่งนะส่วนใหญ่เราจะบอกได้เลยนะเวเวลานี้เขาอยู่ที่ไหนถ้าจะติดต่อคนนี้เนี่ยจะติดต่อเวลาไหนยังไงเป็นต้นเนี่ยอันนี้แสดงว่ารู้จักคนนั้นเป็นอย่างดีแต่ถ้าขันห้าถ้ารู้จักจริงๆก็ต้องลักษณะนั้นต้องรู้จักลักษณะรสชาตปัจจุปถานะและ ปทัดฐานประทัด ฐ, นะฐานก็คือปัจจัยเหตุใกล้ของขันนั้นๆนเนี่ย น, นะแสดงว่ามีเหตุใกล้ใช่ไหมน่าจะมีเหตุไกลอีกนะเอางี้นะร่างกายหรือกายภาษาธะเนี่ยมีเหตุใกล้และเหตุไกลกายภาษาธามีอะไรเป็นเหตุใกล้มหาปูตรูปเป็นเหตุใกล้และเหตุไกลอ่ะกรรมเป็นเหตุไกลของ อวิชาตัญหากรรมเป็นเหตุไกลมหาภูตรูปเป็นเหตุใกล้แห่งกายภาษาท่ก็บอกว่าต้องรู้ไกลและใกล้เออถ้าหากว่ารู้ไกลและใกล้เนี่ยนะถ้าเป็นนักรบเนี่ยเขาเรียกว่ายิงได้ไกลคำว่างั้นยิงได้ไกลนี่ยิงยังไงก็คือยังถึงรูปขันทั้งห้าเนี่ยนะทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตใกล้ไกลนะรู้อย่างนี้แหละคือจึงเรียกว่ายิงได้ไกลคำว่างั้น ถ้าเป็นนักลบกันนะการศึกษาพระธรรมก็ลักษณะนั้นแหละนะนั่นแหละเรียกว่ารู้จากขันจริงๆถ้าคนที่พื้นฐานจากศีลดีแล้วไปเพ่งเรื่องขันมากๆเรียกอะไรก็บอกว่าพิษูรรูปใดไม่ยินดีอยู่ด้วยคุณศักว่าศีนย่อมประกอบเนืองๆซึ่งนิพพิธาศีลของพิสูรรูปนี้ย่อมเป็นนิพทภาคิย ะ, ะที่กล่าวเรื่องขันเมื่อกี้เนี่ยนะเพราะเป็นอารมณ์ของปัญญา ปัญญาอ น, นั้นโดยที่มีศีลเป็นปัจจัยนั้นคนที่รักษาศีลดีก็อ บ, บรมนิพพิธานิพพิธานี้เป็นชื่อของของวิปัสสนาญาณที่มีกำลังก็บอกว่าในหน้าส3สาเมื่อกี้เนี่ยนะยะถาภูตยานทัศนะย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่แก่อะไรนิพพิธาเพราะฉะนั้น คนที่จะได้นิพิทาคนนั้นจะต้องมียะถาภูตะยาณทัศนะอยู่แล้วใช่ไหมรู้เห็นขันตามความเป็นจริงเมื่อเขารู้เห็นขันตามเป็นจริงก็ประกอบเนืองเนือ ง, องซึ่งความเบื่อหน่ายในขันขันนี่น่าเบื่อไหมที่จริงของเราทั้งหลายจะเห็นโทษในการบริหารรูปประขันเมื่อไหรนะ่นจะเห็นโทษในการบริหารเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขัน เมื่อไรจะเห็นโทษของการบริหารความคิดนะเห็นโทษของการบริหารร่างกายนี่จะเห็นโทษโอ้ยตื่นเช้ามาอีกแล้วเนาะกิจนั่น่นนันน่โอ้ยเห็นเยอะแย ะ, ยะไปหมดแล้วเมื่อไรจะเห็นโทษของการบริหารความคิดพระผู้มีพระภาคทรงสแสดงว่าภาราเวปัญจักขันธาใช่ไหมขันธาเนี่ยเป็นภาระนะเป็นของหนักนะอย่างเช่นเนี่ยนะเราจะบริหารให้สุขากายวิญญาณเกิดไม่ใช่ของง่ายนะจะต้องหาเตโชโพธพารลมที่พอดี ต้องหาวายโผฏฐพารลมที่พอดีต้องหาอะไรนะเตโชวาโยปผทวีผฏฐพารลมที่พอดีนะจึงจะบริหารสุขากายะวิญญาณอยู่ได้นะบริหารเอสุขเวทนาที่เกิดขึ้นทางกายได้ถ้าจะบริหารมนโนวิญญาณบริหารความคิดที่เป็นกุศลเนี่ยนะภาระขนาดไหนเออแต่ควรเจริญนะ ใช่ไหมมั้งอ่าธรรมนามธรรมนะฮะเริ่มเห็นเป็นภาระคือว่ามันมักจะเป็นไปนในเรื่องของอกุศลวิตกเป็นเรื่องของอกุศลวิตกซึ่งเราเราเริ่มเห็นโทษนะแล้วเราก็เห็นว่ามันมันยากที่จะไปไปไปเปลี่ยนแปลงหรือว่าที่จะไประ ง, งับยับยัง้งมันยากมากนะ แต่ก็ถ้าผู้ใดาสามารถทําได้นักผู้นั้นถือว่าบรรลุมรรคผลได้นะสบายได้นะถ้าหากว่าผู้ใดที่จะบังคับจิตขอ ง, งตัวเองได้นะแล้วก็เป็นเรื่องที่จะต้องบังคับด้วยต้องฝึกอย่าไปพูดบังคับเดี๋ยวจะข<ช>ัดกับตัวตนเอาว่าเป็นฝึกนะธรม اء, ร, รมะกันธรรมะฝึกฝึกได้ถ้าฝึกไม่ได้นะพระพุทธเจ้านี่จะไม่นา่ายกย่องเลยเพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นปุริสธรรมาสารถิ เป็นผู้ที่ฝึกบุรุษถ้าหากว่าเราฝึกไม่ได้นะผู้าศาสนาก็ไม่สมควรแก่เราเพราะฉะนั้นการฝึกนี่มีความสำคัญมากนะเพราะฉะนั้นบันดิตทั้งหลายเขาจะฝึกตนหรือฝึกความคิดนี่แหละเ่นะถ้าหากว่าคนพานก็มุ่งแต่ฝึกอย่างอื่นอยู่แต่บัดิตก็มุ่งไปที่การฝึกฝึกจิตเนี่ยนะเพราะว่าผู้ที่ฝึกจิตจนประสบความสาเร็จแล้วนะเขาบอกว่าจะไปในทิศ ท, ท้งแดโดยไม่ติดขัด นั่งอยู่ในอาสนะเดียวเนี่ยเข้าได้ฌานทั้ง8ปดค่ะว่างัน้นผู้ที่ฝึกสําเร็จนะสามารถเข้าฌานได้ทั้ง8เลยเข้าปฐมฌานทุติยฌานตาติยฌานจตุธาฌานอากาสานัญจายตนาบิญญาัญญายตนาอากินจัญญายตนาและก็เนวสัญญาณสัญญายตนะไม่แค่นั้นนะคนที่ฝึกจิตประสบความสําเร็จสามารถเข้าโพธละสมาบัติตั้งแต่โสดาปฏิพนสกทาค า, ามิพนอนาคามีพลและ อรหัตผลได้ผู้ที่ฝึกจิตจนประสบความสำเร็จสามารถเข้านิโรธสมาบัติได้ผู้ที่ฝึกประสบความสำเร็จนี่นะเจริญกรุณาไม่มีที่สุดไม่มีประมาณก็ได้จิตที่เป็นไปเรียกว่ามหากรุณาสมาบัติยานแบบพระพุทธเจ้าก็ได้เพราะนั้นการฝึกจิตนั้นนับว่ามีความสำคัญมากวิปัสสนาทั้งหลายนี่แหละเป็นอุบายในเครื่องการฝึกจิตเนี่ยนะ เพราะว่าผู้ที่ฝึกด้วยวิปั ส, สนาจริงๆก็สามารถพ้นจากวัตถุทุกได้แต่ถ้าหากว่าผู้ใดไม่ฝึกนะเ <c oughs> สียหายไหม <c oughs> อเอางี้นะคนที่มีสาระกับไม่มีสาระอันไหนดีกว่ากันคนที่ไม่มีสาระก็คือคนที่ไม่ได้รับการฝึกนั่นแหละเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ฝึก น, นะเขาบอกว่าไม่มีอะไรนะไม่มีขอบเขตอ่ะ น, นะ ศีลในกลุ่มนี้คือศีลที่เป็นฝักฝ่ายหรือว่าส่วนแห่งความเสื่อมอย่างหนึง่งศีลที่อยู่ในส่วนแห่งความตั้งอยู่อย่างหนึง่งศีลที่อยู่ในส่วนแห่งความวิเศษขึ้นไปอย่างหนึ่งแล้วก็ศีลที่เป็นไปเพื่อการชํำระ ก, กิเลสอย่างห น, นึ่งเห็นไหมของเรานี่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่นี่ข้อไหนกันเอาไปคิดนะไม่ต้องตอบหรอก หนึ่งนะในหน้าห้าสิบเนี่ยนะนับขึ้นหนึ่งสองสามสี่นับขึ้นสี่ 4, บรรทัศน์เนี่ยนะจะมีคำว่าย่อมเป็นวิเศษสาพาคิยีสินเห็นนะเขาไม่ได้ขีดเส้นให้เลยมองไม่เห็นเนาะเราขีดเองก็ได้นะไม่ยากหรอกหน้าห้าสิบนะหน้าห้าสิบนับจากข้างล่างหนึ่งสองสามสี่สี่บรรทัด์เห็นไหม 4ถึงหบรรทัดอ่ะเป็นวิเศษสาพาทยาศีนอ่าขีดไว้หน่อยเนอะจะได้เห็นชัดอ่ะต่อไปขึ้นจตุกะที่2เลยเนอะในจตุกะที่สองหนนะหมวด4ที่2ศีลจัดว่ามี4อย่างโดยเกี่ยวกับเป็นพิกขุศีนเป็นต้นอย่างนี้คือ ศิขาบทที่ทรงบัญญัติปรารภภิกษุทั้งหลายและเป็นสิกขาบทที่ภิกษุเหล่านั้นพึงรักษาเพราะเป็นบัญญัตินี้ชื่อว่าภิกขุศีลเนี่ยนะพิขุศีลก็อย่างเช่นปาราชิกสังฆาธิเศษปจิตีปฏิเทสนิยะทุกกฏทุกพาสิปเป็นต้นเนี่ยนะที่พระองค์ปรารภพระภิกษุถ้าพระภิกษุล่วงละเมิดออกไปก็เป็นอบัตินนะเป็นสิ่งที่พระภิกษุจะต้อง รักษาทั้งสิกขาบทที่พระองค์ให้เว้นก็ต้องเวน้นสิกขาบทที่พระองค์ทรงให้ประพฤติก็ต้องประพฤตินะสิกขาบททั้งหลายที่พระผู้มีพระภาคทรงปรารภภิกษุทั้งหลายแล้วบัญญัติสิกขาบทนั้นๆขึ้นอย่างนี้แหละเรียกว่าภิกขุศีนเป็นศีลของพระภิกษุส่วนสิกขาบทที่ทรงบัญญัติปรารภภิกษุณีทั้งหลาย และเป็นศิกขาบทที่ภิกษุณีเหล่านั้นพึงรักษาเพราะเป็นบัญญัตินี้ชื่อว่าภิกุณีศีล น, น, นะพระภิกษุผู้หญิงที่จะต้องรักษานะตามศิกขาบทข้อไหนที่ทรงห้ามก็ต้องไม่ทำพระองค์ให้ไปทำอะไรก็ต้องไปทำตามนั้นการประพฤติตามนั้นแหละเรียกว่าภิกุณีศีล น, น, น, นะถ้าสมัยนี้มีภิกุณีศีล น, น่าจะมีออกบทบ้างนะแต่ก็ไม่ใช่ตามนัยยะที่เรากล่าวถึงนี้ คือภิกษุณีหรือภิกุณีเนี่ยนะจะเพาะนิกายเทราวาสเราไม่มีแล้วมีเฉพาะสายมหายานก็ถือวินัยคนละอย่างกับในในสายเทราวาสเรานะยมีนะภิกุณีชาวไต้หวนันมีชื่อเสียงอยู่คนหนึ่งดังมากเลย น, นะีมีมีมชาวไต้หวนันแต่เป็นมหายาณ น, นะถ้าเห็นว่าเป็นภิกุณีเมื่อไหร่ก็ให้รู้เธอว่าไม่ใช่นิกายเทราวาสถือคำภีรคนละเล่มเพราะฉะนั้นอย่าไปเถียงก็เลย ถือคำพีโคลาเลมเลยนะต่อไปนะสินสิบของพวกสัมมาเนนและสามมาเณรีทั้งหลายชื่อว่าอนุปปัสัมปันนาสินอนุปปัสัมบันคือไม่ใช่พิฆุไม่ใช่พิกษุนีชื่อว่าอนุปปันะ ส, ปสัมบันสิกขาบทสิบนะที่พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตไว้สําหรับพระสําหรับสัมมาเนนทั้งหลายนะอิเมหิทาสาหิปานาติปา ปานาติปาตีโหติอาทินาทายยีโหติเนี่ยนะก็คืองดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์แล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือไม่รับเงนินและทองเป็นต้นเชิญพรสมมเนรีนี่นะสมมเนินเฉพาะนางวิสาขาบรรลุโซดาบันตั้งแต่เจ็ดขวบนะแต่ว่าสัมเรีที่บรรลุตั้งแต่เจ็ดขวบนี่นะดูในคำพีร ในปกินนกะวัคนะเรื่องเรื่องย ม, มะกะปาติหารที่ภิกษุสัมมเนรีองหนึ่งอายุเจ็ดขวบไปขอขอแสดงฤทธิ์แทนพระพุทธเจ้ามีเพราะฉะนั้นสัมมเนรีที่อายุเจ็ดขวบเป็นพระอรหันต์ก็มีแต่ว่าถ้าคนเด่นๆส่วนใหญ่ก็ไม่ได้บวชอย่างเช่นนางวิสาขาก็บรุตั้งแต่เจ็ดขวบเนี่ยนะบุตรของเศรษฐีที่บรรลุทำตั้งแต่เจ็ดขวบสมัยพุทธกาลนี่ค่อนข้างมากมาก ไม่มีเราอยู่ในนั้นสักคนเลยอ่ะอคิดแล้วก็เศร้าไอที่ไม่ดีเนี่ยนึกออกเลยนะที่ดีดนึกไม่ใคยออก